มีท่านนั้นหลายคนที่รําคาญ เพราะเรื่องของพระศาสดาพวก नगर เหล่าใดที่จะ ท่านไม่ชอบใจคนทั้ง นี่เค้ากล้าด่าพระพุทธเจ้ากล้าวินาม ถ้าว่าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่องค์ <c oughs> ยาไปอยู่ ต่อไปนี้ขอนํามาเรื่องราวที่องค์ ก็เราจะกล่าวต่อ พระเว้ยวันเทวดาบัลล่านท่านพุทธบริษัตร อรหัตติมนาท่านพุทธบริษัตรพระพุทธเจ้าๆนะบรรดาท่านพุทธบริษัตร นี่เรากันกล่าว <c oughs> 500 ชาติ <c oughs> 500 ชาติ เรื่องราวเป็นมายังไงจะ อาจารย์แกวินามาตั้งแต่ตัวเอง <c oughs> เสเนินเข้าไปลามนดาว่าจะไปสู่ ทางที่จะเดินไปสู่เรือ เรือกําลังจะออกเจ้าหน้าที่เรือกําลัง <c oughs> มันร้อนๆมันร้อนนักบาดนี้ถ้าไป เออหัวท่านเดินล้าน จงได้เข้าไปใกล้เวลานั้นจะหา <c oughs> อาตมาใกล้กังความร้อนเบื้องบนพระ เมื่อพระคุณเจ้าพระประเจก ตนประพฤติจากเจ้าประสงค์สิ่ง <c oughs> เสนาณัยก็ปรากฏว่ามีลม เข็นเรือแตกเราจะ บุญ 15 วันไวยนางมณียา ตนได้รับบัญชาจากพระ แต่วันวันนั้นเป็นวันกลางเดือน จิตใจของท่านก็ไม่ได้รักความ <c oughs> ก็เกล็งว่าถ้าบังเอิญมี แต่ว่าหาเจนกไม่ได้เพราะวันนี้ๆยอดจริงนาม หลังจากการสัมผัสเนื้อนางมณีไม่สละเป็นเนื้อทิพย์พระมหาชนกก็หลับสนิทนางมณีไม่สละจึงนำไปประมังไปไว้ในพระราชอุทยานของพระราชาพระองค์หนึ่งเอพระราชาเมืองนั้นความจริงก็เป็นอารของพระมหาชนกตนเอง เป็นพระราชทาสของเมือง แต่หงษ์กุมาราชาและพระราชวังมี <c oughs> ลูกชายก็มีความกตัญญูรู้คุณ กับใบวายในส่วนนั้นสําหรับ <c oughs> เราไม่ถือไม่ถือแต่คนจะมี พอฉ้อมตู่เลยหาเมียใหม่ไม่ นั่นก็คืนเดียวกับที่พระ ไปนรกนี้เทศสวรรค์แม่พดได้ <c oughs> จึงจะปลายโรคไม่ๆมีเสด็จ Break off ที่คนไทยเห็นนานา พระองค์นั้นหมอบทุกสิ่งทุก จะไล่เชิญไปก็ไม่ได้แต่ นายดีสุจิเคยก็ตั้งใจ แต่ๆไม่ยัดจะแต่งตั้งใครคนใด <c oughs> ศีลสัตยาอธิฐานว่าใครมี ไกรกดสุดตัวเวลาหน่อยก็พาทิพย์ภูมิไว้ <c oughs> กานที่ม้าแสดงอย่างนั้นก็แสดง พระมหาจนะก็ตื่นขึ้นมาสงสัยว่าเนี่ย dropping us by kohai coming แต่ในที่ตาพระบรมหาชนกก็ 3-4 สงครามแตก 500 <c oughs> เอ่อลานนปรากฏว่ามีเนนอายุประมาณจุดควบท้าย สงฆ์ได้ภาคกาสาวพัดครบถ้วนแล้ว จึงขออัญเชิญบิชชา กรรมโหแค่จะร้อนนี่ <c oughs> แต่ชานุวัยนามทุกชาย พระสมเด็จพระชนะสมบัติโทษ 7 วันวัน เราถึง 500 ชาติ <c oughs> แต่ก็อะไรจะได้ก็ตามใจ เดี๋ยว 1 นาที ล้อเนนเล็กๆไปจิบปราณีเลน 500 ชาติถ้าบันดาแต่พุทธบริษัตร์ ไกลรูปตาและกายและฉาติและทิยภาดิษัญ